จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนอุบาศกอุบาศกผู้มีจิตศรัทธาในความเรื่มใสยในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านเอกอวันนี้เป็นวันขึ้น8ปดค่ำเดือนส1บอตรงกับวันเป็นวันพร ะ, ะเป็นวันที่สิบสี่ วันจันทร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2545เหลือเวลาอีกประมาณ7วันก็จะเป็นวันออกพรรษาแสดงว่าเวลา3เดือนที่พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมกันประกอบคุณงามความดีก็จะหมดไป ตลอดเวลาสามเดือนที่ผ่านมานี้เราได้กระทำในสิ่งที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำกันหรือไม่มากน้อยเพียงใดเพราะการกระทำของเรานั้นเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลที่เราปรารถนากันหรือไม่ปรารถนากันเพราะการกระทำนั้นมีทั้งที่เป็นคุณ และมีทั้งที่เป็นโทษในตลอดเวลาสามเดือนพวกเราทุกคนก็ตั้งใจว่าจะมากระทาในสิ่งที่เป็นคุณและจะละในสิ่งที่เป็นโทษเราได้ทำกันมากน้อยแค่ไหนแล้วเพราะว่าเวลามันก็ผ่านไปแล้วและมันก็จะไม่ไหลกลับมาอีกถ้าเราตั้งใจจะทำ สิ่งที่เป็นคุณและละการกระทาที่เป็นโทษแต่มีแต่เพียงการความตั้งใจแต่ไม่ได้กระทาตามที่เราตั้งใจผลที่เราต้องการกันก็นกจะไม่ปรากฏขึ้นมาดังนั้นเราต้องคอยสังเกตดูถึงการกระทาของเราเป็นหลักถึงแม้ว่าเราจะต้องมีความตั้งใจ เป็นผู้นำหน้าแต่ถ้ามีแต่ความตั้งใจไม่มีการปฏิบัติตามผลที่ปรารถนากันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาดัางนั้นในขณะที่เวลาของพรรษานี้ใกล้จะหมดก็ควรที่จะมานั่งทบทวนดูว่าตลอดเวลาเกือบสามเดือนที่ผ่านมานั้น <c oughs> เราได้กระทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ กับเรามากน้อยแค่ไหนและละการกระทำที่เป็นโทษกับเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเราไม่ได้ทําตามที่เราได้มีความตั้งใจไว้ <c oughs> เรายังมีเวลาอีกนอกจากเวลาในพรรษาแล้วเวลาออกพรรษาก็ยังปฏิบัติได้ <c oughs> ยังทําได้ไม่ <c oughs> ไม่จำเป็นจะต้องรอเวลาเข้าพรรษาถึงจะมาปฏิบัติกันเพราะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เรายังปฏิบัติได้เรายังทำความดีกันได้เรายังละการกระทำความชั่วละการกระทำบาปได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาเพียงอย่างเดียวตราบใดที่ยังมีเวลาอยู่เรายังทำได้ แต่ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นเวลาหนึ่งเวลาใดจะในพรรษาหรือออกพรรษาก็ยังสามารถปฏิบัติได้จะปฏิบัติตอนไหนของของวันก็ปฏิบัติได้ยามเช้าก็ปฏิบัติได้ยามกลางวันก็ปฏิบัติได้ยามเย็นยามค่ำก็ปฏิบัติได้ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเอง ถ้าเรามีสติคอยดูคอยควบคุมการกระทาของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดของเราเตือนสติให้เราปฏิบัติให้เราทำในสิ่งที่ดีละในการกระทาที่ไม่ดีอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจวันหนึ่งปล่อยให้เรื่องราวอย่างอื่นมาชักจูงพาไป ทำไปก็จะลืมได้ดังนั้นเราควรที่จะระลึกอยู่เสมอว่าหน้าที่ที่แท้จริงของเราหน้าที่สิ่งที่เราควรจะกระทําที่เป็นคุณและเป็นประโยชน์กับเราก็คือการกระทําความดีและและการกระทําความชั่วเพราะมีสองสิ่งนี้เท่านั้นแหละที่มันจะมีผลมากกับจิตใจของเรามากกว่าอย่างอื่น ทั้งหลายในโลกนี้มีสองสิ่งนี้เท่านั้นแหละที่มีผลกระทบกับจิตใจของเรามากเราจะมีความสุขมีความเจริญมากน้อยแค่ไหน <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดีที่เราสร้างสะสมไว้ในใจของเรา <c oughs> เราจะไม่มีความทุกข์เราจะไม่มีความเดือดร้อน <c oughs> ความเสื่อมเสีย <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับการละความชั่วละบาป ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้ลดน้อยถอยลงไปได้มากน้อยแค่ไหนมีสองสิ่งนี้เท่านั้นหละที่เป็นสิ่งที่มีผลกับชีวิตของเรามากมากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกแต่เราอาจจะไม่รู้กันเพราะเราไม่ค่อยได้สังเกตเราไม่ได้ศึกษาเราไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เราจึงไปเห็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีคุณมีประโยชน์แต่กับมีโทษมากกับตัวเราเป็นสิ่งที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าอย่างการสะสมลาบยศสรรเสริญสุขเราคิดว่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้มากๆแล้วเราจะมีความสุขความจเจริญกันแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ ให้ความสุขความเจริญกับเราสิ่งเหล่านี้ให้ได้อย่างมากก็คือการทานุบํารุงรักษาชีวิตร่างกายของเราให้ดําเนินไปได้ด้วยความด้วยด้วยความด้วยความปราศจากโรคภัยทั้งหลายแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาดูแลรักษาจิตใจของเราให้มีความสุขได้ ไม่ให้มีความทุกข์ได้สิ่งที่จะดูแลรักษาใจเราให้มีความสุขและไม่มีความทุกข์นั่นก็คือความดีการกระทําความดีและการละการกระทําความชั่วละการกระทําบาป <c oughs> ดังนั้นหน้าที่ที่แท้จริงของพวกเราทุกคนผู้ที่ปรารถนาความสุขและความเจริญและไม่ปรารถนา ความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลายก็คือการกระทำความดีและการละการกระทำความชั่วทั้งหลายซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นสี่ลักษณะด้วยกันคือหนึ่งให้สร้างคุณงามความดีบุญกุศลที่ยังไม่มีในตัวเราให้เกิดขึ้นมาสอง ให้รักษาคุณงามความดีบุญกุศลที่มีอยู่ในตัวของเราแล้ ว, ลวไม่ให้เสื่อมไม่ให้เสื่อมหายไป3ให้ละการกระทำบาปการกระทาความชั่วสิ่งที่ชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้ลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งหมดสิ้นไปส ป้องกันไม่ให้บาปกรรมความชั่วที่เราได้ละแล้วไม่ให้ฟื้นคืนกลับเข้ามาสู่จิตใจของเราอีกนี่คือหน้าที่หลักที่แท้จริงของพวกเรา mm hmm. เพราะอะไรจรึงว่าเป็นหน้าที่หลักเพราะการกระทําทั้งสี่ประการนี้จะเป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลความปราศจาก ทุกภยัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนากันไม่ใช่หรือผลเป็นสิ่งที่จะตามมาจากการกระทำคือเหตุดังนั้นเราจึงต้องมุ่งไปที่เหตุก็คือการกระทำเมื่อเรากระทำแล้วผลที่เราต้องการก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาดับแห่งการกระทำของเราดังนั้นเราจึงควรที่จะ พิจารณาดูว่าเราได้ทําสิ่งที่เราควรกระทําและและในสิ่งที่เราควรละแล้วหรื อ, อยังถ้าเรายังไม่ได้ทําเรายังไม่ได้ละเราก็ควรที่จะรีบรีบทำกันเพราะวันเวลามันจะค่อยๆหมดไปหมดไปผ่านไปผ่านไปชีวิตของเราไม่ใช่เป็นชีวิตที่จะอยู่ไปตลอดชีวิตของเรามีขอบมีเขต และสั้นหรือสั้นหรือยาวก็ไม่ไม่แน่นอนไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันทุกๆกคนบางคนมีอายุยืนยาวนานบางคนมีอายุไม่ยาวนานเราจึงควรจะมองชีวิตของเราว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่มีใครสามารถกาหนดวันตายได้วันเกิดเรายังพอกาหนดกันได้แต่วันตายนี่เรากาหนดกันไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะตายพรุ่งนี้หรือจะตายอยีก20 30ปี40ปีข้างหน้าดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราจงมีเจริญมรณานุสติอยู่เสมอให้คิดเสียว่าเราอาจจะตายในขณะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะมีความกระตอรือรือร้นที่จะกระทำ สิ่งที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์และละการกระทํำบาปกรรมความชั่วที่เป็นโทษกับเราแต่ถ้าเราไม่คิดอย่างนี้อย่างสม่ำอย่างเสมออย่างต่อเนื่องเราก็จะลืมและเราก็จะคิดว่าเราคงจะอยู่ไปอีกนานเมื่อเราคิดว่าเราจะอยู่ไปอีกนานเราก็จะคอยสัดวันประกันพรุ่งเรื่องการทําความดี เรื่องการละความชั่วนี้เราจะไม่ค่อยอยากกระทำกันเพราะเหตุใดเพราะว่าใจของเรานั้นถูกอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาครอบงำอยู่เมื่อมีกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาครอบงำอยู่ในใจแล้วมันจะเป็นตัวที่จะมาคอยขัดขวางคอยห้ามปราม ไม่ให้เรากระทำความดีละความชั่วกันนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาปราบพวกกิเลสตัณหาทั้งหลายและไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการเจริญมรานาุสติคือการระลึกถึงความตายอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้ามีความรู้สึกว่าเราจะต้องตาย แล้วเราจะเกิดความกระตือรือรน้นเราจะเริ่มเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นคุณกับเราอย่างแท้จริงอะไรที่เป็นโทษกับเราอย่างแท้จริงแต่ถ้าเราไม่มีมรณานุสติเราจะเป็นหลงติดอยู่กับสิ่งที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เช่นพวกลาบยศสารเสริญสุขทั้งหลาย แต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายไปในชั่วโมงหน้านี้เราจะเริ่มเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถพึ่งได้เวลาคนตายไปนั้นสิ่งที่จะเอาไปได้ก็มีบุญกับบาปเท่านั้นแหละที่จะเอาไปได้ถ้ามีบุญพาไปก็จะไปดีไปสู่สุคติไปด้วยความสุขด้วยความสบายใจแต่ถ้ามีบาป พ, พาไป ก็จะไปด้วยความวุ่นวายใจด้วยความทุกข์ก็จะไปไม่ดีไปสู่ทุกขติไปสู่อบายนี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราต่อไปในอนาคตอันใกล้หรือไกลไม่มีใครรู้ดังนั้นเมื่อเราไม่รู้ว่ามันใกล้หรือไกลเราควรที่จะเอาคิดเสียว่ามันต้องเป็นใกล้ไว้ก่อนจะดีกว่า เพราะคนที่คิดแบบนี้ถือว่าเป็นคนไม่ประมาทนั่นเองเพราะเราคิดว่าเวลาเราเหลือน้อยเราต้องรีบขวนขวายสร้างบุญกันเราต้องรีบขวนขวายชำระบาป ก, กันแต่ถ้าเราไปคิดว่าวันตายของเรานั้นยังอยู่อีกไกลยังอยู่อีกหลายสิบปีมันก็จะทำให้เราไม่เกิดความกระตืหรือร้นไม่คิดที่จะกระทา บุญและละบาปกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเกิดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดปรากฏขึ้นมาเกิดตายไปในวันพรุ่งนี้หรือในชั่วโมงข้างหน้านี้โอกาสที่ดีที่เราจะสามารถสะสมบุญและกุศลและชำระบาปทั้งหลายก็จะหมดไปแล้วเราก็จะต้องมาเสียใจภายหลัง เพราะเราจะต้องไปรับใช้เวรใช้กรรมของเราหรือไปสวยบุญกุศลของเราถ้าเราไม่ได้ทำบุญทากุศลไม่ได้ละการกระทาบาปทำกรรมแล้วเราจะไปสวยบุญได้อย่างไรเราจะหนีจากบาปจากกรรมได้อย่างไรในเมื่อชีวิตของเราทุกๆวันเรามีแต่สะสมบาปกรรมกันอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปข้างหน้าเราก็จะไปด้วยความทุกข์ไปด้วยความวุ่นวายใจและจะไปสู่ที่ไม่ดีต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกเราชาวพุทธไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทจงระลึกถึงความตายอยู่เสมอเสมอพระพุทธเจ้าได้ถามพระอานนท์ว่าอานนท์วันหนึ่ง ระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งพระนรินท์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าระลึกตอนเช้าบ้างตอนกลางวันบ้างตอนเย็นตอนกลางคืนบ้างพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าอานนท์เธอยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่ถ้าเธอระลึกถึงความตายเพียงไม่กี่ครั้งต่อวันหนึ่งถ้าเธอไม่อยากประมาทแล้วเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียว จึงจะถือว่าเธอไม่ประมาทคือเวลาหายใจใจเข้าก็ระลึกว่าเมื่อเราหายใจเข้าแล้วถ้าเราไม่หายใจออกเราก็ตายหรือถ้าเราหายใจออกไปแล้วเราไม่หายใจเข้าเราก็จะต้องตายเช่นกันขอให้พวกเราทุกคนอย่าไปกลัวความตายเพราะความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติ และสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรทั้งสิ้นคือร่างกายของเรานี้เราไม่รู้หรอกว่าร่างกายนี้ธรรมชาติที่แท้จริงแล้วเขาไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แต่เพราะใจของเรานั้นมีความหลงมีความมืดบอดครอบงำอยู่เมื่อมาเมื่อมาครอบครองร่างกายนี้ก็เกิดความหลงเกิดความคิดว่า ร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวของเราและเมื่อเรามาคิดว่าร่างกายนี้จะต้องแตกสลายต้องดับไปด้วยอำนาจของความหลงก็จะทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเห็นว่าร่างกายนี้กับจิตใจเป็นคนละส่วนกัน ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปและอาหารนี้ก็มาจากดินน้ำลมไฟต้นไม้กับข้าวกับปลาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องออกมาจากดินน้ำลมไฟทั้งสิ้นข้าวก็ต้องปลูกในดินต้องมีน้ำต้องมีแดดต้องมีอากาศข้าวถึงจะโตได้ เมื่อเรารับประทานข้าวเข้าไปมันก็แปลงสภาพกลายเป็นอาการ32 <c oughs> มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นและเมื่อร่างกายจเจริญไปถึงที่สุดแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมลงคนเราเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนอายุประมาณสัก40ก็จะเริ่มแก่ชลาลงไป จะไม่สดจะไม่สาวไม่หนุ่มไม่หล่อไม่หนุ่มไม่สาวเหมือนคนที่อายุยี่สิบสสเพราะตอนนั้นยังเป็นวัยเจริญอยู่แต่พอพ้นวัยสี่สิบไปแล้วก็จะเริ่มเสื่อมลงไปเรื่อยๆเข้าสู่ห้า0กสก็จะแก่เจ8 0บปสิก็จะเริ่มทำอะไรไม่ไหวและในที่สุด เก้าสิบหรือร้อยก็จะต้องมีแต่นอนอย่างเดียวนอนหายใจเข้าหายใจออกและในที่สุดก็จะไม่หายใจเข้าหายใจออกเราก็เรียกว่าตายก็จบกันนี่ก็คือธรรมชาติของร่างกายนี้เราควรจะพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาตามแนวทางที่ได้สอนไว้แล้วเราจะได้เกิดปัญญาขึ้นมาเราจะเริ่มเห็นว่าผู้ที่พิจารณา กับสิ่งที่ถูกพิจารณาคือใจผู้พิจารณาและกายผู้ที่ถูกพิจารณานี้เป็นของคนละส่วนกันใจเป็นผู้รู้ใจรู้ใจรู้กายแต่ใจมีความหลงครอบงๆอยู่เลยรู้ผิดไปแทนที่จะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนกลับไปรู้ไปเห็นว่าเป็นตัวตนเมื่อรู้ว่าเห็นว่าเป็นตัวเป็นตน และเมื่อเกิดร่างกายนี้จะต้องตายไปใจก็เกิดความไหวหวัน่นเกิดความเกิดความกลัวขึ้นมาคิดว่าเมื่อร่างกายตายไปใจก็จะต้องตายไปด้วยแต่ความจริงแล้วใจนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ตายมีแต่รู้อยู่อย่างนั้นนี่คือธรรมชาติของใจเมื่อตายเมื่อร่กายดับสลายไปใจก็ต้อง แยกออกจากร่างกายร่างกายนี้ก็เปรียบเหมือนกับบ้านถ้าบ้านเราเกิดพังขึ้นมาไฟไหม้ขึ้นมาคนที่อยู่ในบ้านก็อยู่ในบ้านไม่ได้ก็ต้องย้ายบ้านต้องหาบ้านใหม่อยู่จะไปหาบ้านใหม่อยู่ก็ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าว่ามีมากน้อยแค่ไหนถ้ามีเงินมากก็สามารถไปหาซื้อบ้านใหม่ๆสวยๆอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีเงินอยู่ ก็อาจจะต้องไปอาศัยวัดอยู่หรือไปนอนตามข้างถนนตามใต้สะพานเพราะไม่ได้สะสมเงินไว้นั่นเองใจของเราก็เป็นเช่นนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะนี้แทนที่เราจะมาสะสมบุญกุศลซึ่งเปรียบเหมือนกับเงินของใจที่ใจจะเอาไปซื้อบ้านใหม่ที่สวยๆได้แต่เราเอากลับไม่สนใจสร้างบุญสร้างกุศลกัน กลับไปสร้างราบยศสารเสริญสุขกันซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถนำเอาติดตัวไปได้ใจไม่สามารถนาเอาติดตัวไปได้เมื่อจะต้องย้ายออกจากร่างกายอันนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะไปแบบขอทานไปแบบเปรตไปแบบเดรัจฉานไปแบบอสุรกายหรือไปแบบสั์นรกนั่นเองแต่ถ้าเราสะสมบุญกุศลกระทาแต่ความดี ละการกระทำบาปกรรมทั้งหลายอย่างต่อนเนื่องอย่างสม่ำเสมอเวลาเราต้องแยกต้องจากร่างกายนี้ไปเราก็จะไปดีเพราะเรามีเงินติดตัวไปเราก็จะไปเป็นมนุษย์อีกเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่แหละคือเรื่องราวของใจและกายเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยให้ความสนใจกันเท่าไหร่เพราะกิเลสตัณหา โมหะวิชอวิชาที่มีอยู่ในใจจะพยายามกิดกั้นขัดขวางไม่ให้เราคิดไม่ให้เราศึกษาถึงเรื่องเหล่านี้เวลาจะเข้าวัดกันสักครั้งนี่รู้สึกว่าแสนยากลำบากแต่เวลาไปเที่ยวกันนี่รู้สึกว่ามันง่ายเหลือเกินไปดูหนังดูละครไปกินเลี้ยงไปเต้นแล้งเต้นกากันรู้สึกว่าแทบจะไม่ต้องมีคนมาเชิญเลยเพียงแต่นึกเท่านั้นก็ใจก็กระโจนรับความคิดนั้นแล้ว แต่เวลาจะเข้าวัดแต่ละครั้งหรือเวลาจะฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะแต่ละครั้งรู้สึกว่ามันแสนจะยากแสนจะลําบากรู้สึกว่าจะมีอุปสรรคมากมายก่ายกอง น, นี่ก็เป็นเพราะว่าใจของเรามีอุปสรรคอยู่ในใจของเรานั่นเองไม่ใช่อะไรดังนั้นเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยความทําความเข้าใจว่าการเข้าวัด การศึกษาธรรมะการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสําหรับตัวเราถ้าเปรียบเทียบกับเงินทองแล้วก็เป็นเพชรนิลจินดาเลยทีเดียวส่วนการไปเที่ยวนั้นขอให้เราคิดว่าเปรียบเหมือนกับการเสพยาเสพติดคนเรารู้ไหมว่าเวลาเสพยาเสพติดไปแล้วเป็นอย่างไรก็ต้องกลายเป็นธาตของยาเสพติดถ้าเรา ติดการเที่ยวเตออ่อยู่อย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะกลายเป็นทาตของการเที่ยวเตะไม่มีที่ที่สิ้นสุดและการเที่ยวเตหล่านี้ก็ไม่ได้ทำอะไรให้กับใจเราดีขึ้นไม่ได้ทาให้เกิดความอิ่มเกิดความพอแต่กลับสร้างความหิวความอยากไม่รู้จักจบจักสิ้ น, นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วทุกครั้งเวลาที่เราอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินเหล้าเมายา ไปทาบาปทำกรรมเราก็จะได้รู้จักหักห้ามจิตใจของเราว่าเรากำลังวิ่งเข้ากองเพลิงว่าเรากำลังจะกลายเป็นทาตของยาเสพติดนะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะผืนได้ส่วนการเข้าวัดการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาธรรมนี้เปรียบเหมือนกับการได้รับประทานยาที่มีคุณค่ากับร่างกายมีคุณค่ากับชีวิตจิตใจของเรา เพราะใจของเรานั้นยังมีโรคอยู่นั่นก็คือโรคของความทุกข์ของความว้าวุ่นขุ่นวัของความเศร้าโศกเสียใจแต่ความทุกข์เหล่านี้นั้นเราสามารถระงับจับได้ด้วยธรรมโอสถคือยาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราศึกษาและปฏิบัติกันดังนั้นถ้าเราศึกษาธรรมะได้มากน้อยแค่ไหนและปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหน ใจของเราก็จะมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจได้มากน้อยไปเท่านั้นตามลาดับของการศึกษาและการปฏิบัติของเราอย่างวันนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วว่าร่างกายของเราก็ดีหรือร่างกายของคนของผู้อื่นก็ดีร้วนไม่มีตัวตนถ้าเราสามารถปฏิบัติจนกระทั่งเห็นได้ตามความเป็นจริงแล้วต่อไปเวลาร่างกายของใคร จะเกิดการชำรุดทุดโทรเกิดการเสื่อมสลายตายดับไปเราก็จะไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจอะไรเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครตายเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเมื่อรถยนต์มันเสียเราก็ทิ้งมันไปเราก็รู้ว่าเจ้าของรถยนต์คันนั้นเขาก็ต้องไปเดินทางต่อไปเขาจะไปสูงหรือไปต่ำไปดีหรือไปชื่อมันก็ไม่อยู่ในวิสัยของเรา ที่เราจะไปทำอะไรให้กับเขาได้เพราะเรื่องเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องของเฉพาะตนที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนใครทำความดีก็ได้ก็มีความดีเป็นที่พึ่งใครทำบาป ก, กรรมก็มีบาป ก, กรรมเป็นที่พึ่งสิ่งที่เราจะช่วยกันได้ก็เพียงแต่คอยบอกคอยเตือนกันคอยชวนกันให้มาทำความดีกัน ให้ละเว้นการกระทำบาปกรรมกันเท่านั้นแหละแต่เขาจะเชื่อเขาจะฟังหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาเป็นสิ่งที่เราบังคับกันไม่ได้อย่างวันนี้ก็ได้แสดงเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านได้ฟังกันท่านจะนำไปปฏิบัติกันมากน้อยแค่ไหนหรือไม่ปฏิบัติเลยก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาบังคับท่านได้แต่ท่านต้องจาไว้นะว่าการกระทาของท่านนั้นมีผลที่จะตามมา ผลดีหรือชั่วสุขหรือเจริญอยู่ที่ตัวของท่านเองอยู่ที่การกระทาของท่านทางกายทางวาจาและทางใจไม่มีใครสามารถหยิบยื่นความสุขความเจริญไม่มีใครสามารถหยิบยื่นมรรคผลนิพพานสวรรค์ให้กับท่านได้ท่านหลังหากที่จะต้องเป็นผู้ที่หยิบยื่นให้กับตัวของท่านเองด้วยการปฏิบัติคือกระทาความดีและ ละการกระทาความชั่วซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงระลึอกอยู่เสมอว่าวันเวลามันจะค่อยหมดไปโอกาสที่จะได้ทําคุณทําประโยชน์ทําความดีโอกาสที่จะได้ละการกระทาบาปกรรมการกระทาความชั่อก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่สายเลยทีเดียวเพราะการกระทานั้น ไม่ต้องใช้เวลามากถ้าเราทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราแก่การกระทำนี้ดีไ ม, ดม่ดีเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนหรือกี่ปีก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอารหันต์ได้ดังในพระสู่ที่พูะเจ้าทรงสแสดงไว้เกี่ยวกับการเจริญสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่ในในตอนท้ายของของพระสู่รพระเจ้าได้ทรงทำนายไว้ว่า ถ้าผู้ใดก็ตามถ้าปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้าอย่างช้าก็เจ็ดวันถ้าเร็วก็ถ้าอย่างช้าก็เจ็ดปีถ้าเร็วก็ภายในเจ็ดวันก็สามารถบรรลุได้เพราะในตัวของเรานั้นแต่และคนมีคุณงามความดีที่เราได้เคยสะสมไว้ร อ, อยเราอยู่แล้ว เพียงแต่รอให้เรามาเติมให้มันเต็มเท่านั้นเองสําหรับบางคนถ้ามีอยู่น้อยก็ต้องใช้เวลามากถึงจะเต็มถ้ามีอยู่มากแล้วเพียงแต่เติมอีกนิดหน่อยก็จะเต็มได้ใช้เวลาเพียงเวลาสั้นๆก็สามารถบรรลุธทมได้ดังนั้นขอให้เราอย่าประมาทตัวเราเองอย่าประมาทบุญกุศลที่เราได้สะสมไว้และอย่าประมาทในเวลาขอให้เราจงรีบใช้เวลาที่เรามีอยู่นี้ ให้เกิดคุณและประโยชน์อันสูงสุดแล้วการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนาจะได้ไม่สูญเปล่าไปยังขอฝากเรื่องราวของการประพฤติปฏิบัติ<ม>ธรรมคือการกระทําความดีและละการกระทําบาปกรรมทั้งหลายให้ท่านนําไป ป, ป, ป, ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วบุญแ ล, และสิ่งที่ดีที่งามทั้งหลายคือความสุขความเจริญ ควารปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงย่อมเป็นของท่านอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณสมบุญบุญที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวันนะสุขพะพละ โดยทั่วหน้ากันเธอ